สารถาสังขหารีได้ไปหลายคนนะผู้ที่เรียบเรียงหรือผู้ที่แปลเนี่ยเขามีความรู้มากเนี่ยะอย่างผู้เรียบเรียงคำพีนี้ทรงพระตไตรปิฎกอัตถกถาเนี่ยนะเป็นการเก็บข้อความจากอัตถกถามาวินิจฉัยสามสิบแปดเรื่อง่หแต่ละเรื่องนี่ก็น่าดีแล้วโดยเฉพาะเรื่อง ที่น่าสนใจสองเรื่องคือความอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้าเนี่ยะความอัศจรรย์ของพระธรรมและก็ความอัศจรรย์ของพระสงฆ์สามเรื่องนี้ก็ก่อให้เกิดสัททินรีเพิ่มขึ้นอีกมากนะให้มีศรัทธาในพระรัตนตรายยิ่งขึ้นแล้วก็มีเรื่องที่น่าสนใจอีกหลายเรื่องแต่ว่าที่จะเอามากล่าวตอนนี้อยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องความอัศจรรย์ของพระสงฆ์ว่า พระสงฆ์นั้นท่านท่านปฏิบัติยังไงอะไรยังไงที่ท่านมาเรียบเรียงในสารธรสังหะหน้าหนึ่ง้แปสบห้าที่กล่าวถึงความอัศจรรย์ของพระสงฆ์ว่าพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเนี่ยนะสิ่งที่ท่านเจริญก็คือเจริญวิเวกสามประการท่านพ่อพูณวิเวกสา ท่านพ่อพูนกายวิเวกพออพูนจิตตวิเวกพ่อพูน อ, อุปธิวิเวกทีนี้ถามว่าไอ้กายวิเวกของท่านไปไปอยู่เงียบเงียบเพื่อไปทําอะไรเนี่ยนะไปจิตตวิเวกหรือไปให้มันนิ่งสงบเหมือนหลับไปเลยหรือเปล่าไม่ต้องรับรู้อะไรสักอย่างไม่ใช่แน่นอนใช่ไหมนะซึ่งสารถาสังหะท่านแก้ให้ดีว่าพระอริยะบุคคลผู้เจริญวิเวกสามประการ อย่างที่กล่าวไปแล้วท่านย่อมกำหนดรู้ซึ่งรูปประกายด้วยปริญญา3ประการน่นะคือท่านไปเจริญวิเวกเพื่อจะทำปริญญาในรูปประกายน่มาดูว่าวิธีการทำปริญญาของท่านเป็นยังไงปริญญา3ประการก็คือยาตะปริญญาหนึ่งติรณปริญญาหนึ่งปะหานะปริญญาหนึ่งเป็น3ประการด้วยกันน่นะสํานวนในในนี้อาจจะ ฟังเข้าใจยากนิดหนึ่งนะถ้าทั่วทั่วไปเพราะว่าคำแปลมไม่น่าต่ำกว่าร้อยปีที่แล้วเกสาโลมาทิวเสยนยานจัคคุนาอาโลเกโตเนี่ยว่าพระโยคาวจรเจ้าอันสอดส่องเห็นด้วยจักสุคือองค์ปัญญาพิจารณาสอดส่องซึ่งร่างกายแห่งตนและร่างกายแห่งบุคคลอื่นว่าเป็นกองคุณเนี่ยนะ ปรากฏทาสะ32ประการคือคมีเกสาโลมาเป็นอาทิมีมัทหลงมัทเกมัทหลงคังเป็นปริโยสารก็อาการ32มีผมเป็นเบื้องต้นใช่มมีมันสมองเป็นที่สุดเห็นชัดว่าใช่สัตว์ใช่บุคคลท่านบอกว่าให้เห็นชัดเนี่ยนะว่า ทั้งตั้งแต่เกษาเป็นต้นมีมันสมองเป็นที่สุกให้เห็นชัดว่าใช่สัตว์ใช่บุคคลแปลว่าอย่าไปเห็นเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยนะเป็นกองแห่งผมและขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยนะโสโครกด้วยเยื่ออัติตั้งอยู่ในกระดูกใหญ่น้อยต่างๆปฏิกูลด้วยม้ามและเนื้อหัตถ์ตับและพังผืดพุงและปอดไส้ใหญ่และไส้น้อย อาหารใหม่อาหารเก่าดีและเสลจหนองและเลือดเหงื่อและมันข้นน้ำตาและมันเหลวน้ำลายและน้ำมูกไขข้อและโมดสมองสีสับปฏิกูลพึงเกลียดทุกสิ่งทุกประการโสโครกทุกสิ่งทุกประการพระโยคาวจรเจ้าสอดสองยานพิจารณาเหตุชนี้นี่แหละได้ชื่อว่ายาตะปริญญายาตะปริญญาอย่างนี้เหมือนกับในอัตถกถา วิชยสูตรก็อธิบายลักษณะนี้ว่าการพิจารณาร่างกายนั่นแหละการคิดถึงร่างกายใคร่ครวญถึงความปฏิกูลเป็นต้นนะนะลักษณะนั้นเป็นยาตะปริญญาตีรณะปริญญานั้นคือการกำหนดเห็นแท้ว่าเอเตธรรมมาอนิจจ า, าขยัดเทนะ ทุกขาพยัตเถนะอนัตตาอาศารักัเถนะเนี่ยนะก็ยกอัถะตามปฏิสัมพิธามากขึ้นมาเนี่ยนะรูปธรรมทั้งส2สสองประการนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยงแท้มีแต่เศ้ามอง น, นะมีแต่เศร้ามีแต่มองมีแต่ปรวนแปรวิปริตวิการไม่มั่นคงไม่ยั่งยืนอาเกียนไปด้วยชราและสิ่งที่งดงามที่สดชื่นเนี่ยนะ ที่ครับที่แข้งที่เปล่งที่ปลังนั้นเอาเที่ยงเอาจริงไม่ได้เลยแต่ศักสิ่งอันรูปตนและรูปแห่งบุคคลผู้อื่นนั้นวิปริตแปรปรวนเหมือนกันมิได้เปลี่ยนมิได้แปลกกันเลยทีเดียวอันการทำปริญญาหรือตรีรณะปริญญาไม่ได้เฉพาะภายในอย่างเดียวก็ทั้งภายนอกด้วยอ่นะท้วนตัวสัตว์ตัวบุคคลอ่นะว่าสัตว์ทั้งสัตว์ทั้งบุคคลทั้งหมดอ่นะที่ที่เรา รับมาเป็นอารมณะปัจจัยเนี่ยถ้าจะว่าไปรวมๆก็คืออาการ32ทุกคนใช่มแล้ในแต่ละอาการ32ของใครก็ปฏิกูลทั้งนั้นแหละนะในท่วนทั่ ว, ท, วทุกตัวสัตว์บุคคลเลยน่ะอานิจจตาอานิจจาขยัดเถนะเหตุมีสภาวะสิ้นไปชิบหายไปด้วยโรคาพยาธิและมรณนะคนนี้ก็อย่างนั้นคนนั้นก็อย่างนี้เนี่ยนะคือไม่มีความต่างกันเลย จะดีอยู่เป็นปกติจะคงเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่โดยปกติแต่สักสิ่งหนึ่งไม่มีเลยเนี่ยนะก็พูดถึงความไม่คงทนไอความไม่เที่ยงที่ที่จะก่อให้เกิดความเบื่อนหน่ายเนี่ยนะก็คือมองการไม่เที่ยงแบบตลอดชีวิตใช่ไหมจึงจะน่าเบื่อนหน่ายแต่ถ้าเห็นว่าไม่เที่ยงเออกระพริบตาไ่ยงงถ้าเห็นแค่กระพริบตาแล้วบอกไม่เที่ยงเนี่ยนะพอไหมจะเบื่อนหน่ายไม่พออยู่แล้วเนี่ยนะเพราะฉะนั้นก็ต้องไอพูดถึงความแปรปรวนความไม่เที่ยง ก็ต้องมองตั้งแตนะ่เบื้องต้นจนถึงที่สุดนั่นแหละมองให้มันตลอดสายถ้าเป็นไปได้ก็คือมองภาพชีวิตนะสามารถอย่างชีวิตหนึ่งร้อยปีเนี่ยย่อมาให้ดูสักสินาทีเนี่ยนะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เห็นขนาดไห น, น, นนะเคยเคยดูภาพเร็วไหมก็มีไอภาพพยนตร์สารคดีอยู่เรื่องหนึ่งเขาเก็บเอาภาพเด็กนมคนหนึ่งนะตั้งแต่เล็กๆเลยตั้งแต่ ตั้งแต่แทบจะทารกนะจนถึงสักสามสิบกว่ากว่าเนี่ยนะภายในไม่กี่วินาทีเนี่ยเห็นชีวิตพลืดไปเลยนะเออมันเปลี่ยนไปขนาดนั้นนั <c oughs> ้นทามองในลักษณะนั้นก็เป็นของที่น่าเบื่อหน่ายนะ่ะทุกขาพยัพเถนะรูปประธรรมที่มีสภาวะอากูลมูลหมองด้วยกองทุกต่างๆมีชาติทุกข์เป็นประธานเมื่ออากูลด้วยกองทุกและกองภัยนั้น ที่จะห่างที่จะห่างไกลไหนเล่าก็จะเข้าประชุมรุมกันมาย่ำยีบีทาเป็นนิทนิรัน์ไม่หมดไม่สิ้นไม่บางไม่เบาเนี่ยนะแต่หากโมหะเข้าไปปกปิดกำบังปัญญาเลิองอยู่ด้วยอำนาจแห่งอวิชชาจึงหาพิจารณาเห็นกองไัยทั้งปวงไม่ก็เพราะว่าอาวิชามันปกคลุมหุ้มห่อไ่หมดนะก็ไม่ไม่ได้คิดเห็นว่าไอ้รูปทั้งหลายเนี่ยมันคือ คือกองภัยอะนะมันไม่ใช่ภัยอันเดียวมันเป็นกองเลยนะเพเนินเทินทึกเลยศัพทโรคต่างๆมีโรคจักสุและโรคโสตเนี่ยนะโรคคานะโรคชิวหาโรคอย่างอื่นเป็นต้นอีกเนี่ยนะมิใช่ภัยหรือเนี่ยนะโรคนี้แหละกองพัยทีเดียวกองพัยคือโรคนี้เป็นกองภัยอันใหญ่จะขับจะไล่จะบาบัดให้ขจัดจากขันธสันดาลเนี่ยสุดยากหลังนันน นนถามพระครูว่าหลวงพ่อไอ้โรคฟันนี่บำบัดมันได้ยังไงนะปวดฟันนี่สองสามวันแล้วมันั่นะมีฟันเนี่ยนึกว่าเคี้ยวอาหารนึ้อร่อยอร่อยเนะี่ยดีเหอะตอนมันพ่นพิษออกมาเนี่ยนะจะรู้ไหมปวดมากหมอฟันเคยปวดฟันหรือเปล่ามีเหมือนกันนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ชินเลยนะ บอกว่าจําเดิมตั้งแต่ปฏิสนธิเกิดกรรมมัชรูปขึ้น30กลับนันะมีกายะทะัศกะวัตถุทัศกะและธรรมดาแห่งคัาพสัยยกะสัตว์เกิดในคันแห่งมารดานั้นก็อากูลไปด้วยภัยอันบังเกิดด้วยเหตุต่างๆจําเดิมแต่แรกปฏิสนธินั้นมาการเมื่อตั้งเป็นกาละละในคันแห่งมารดาบางคาบอากุศลกรรมติดตามให้ผลบันดาลให้วายโยธาแห่งมารดานั้นกล้าหาน ให้เกิดวิบัติพัดกรรมมชรูปสามสิบกะลาบนั้นให้เหือดแห้งสาบสูญเนี่ยนะก็แปลว่าเกิดในคันไม่กี่นาทีเนี่ยนะก็แปลว่าตายเลยอะ่ะในปฏิสนธิการอย่างนั้นก็มีบางทีก็มีกิมิชาติหมูนนในกายแห่งมารดาย่ำยีบีทาการะละรูปกินรูปที่ตั้งขึ้นเป็นกระละเป็นผักสาหารหแห่งตน กา ล, ละรูปนั้นเป็นอาหารแห่งหมูนอนสาบสูญสิ้นไปในปฏิสนธิการอย่างนั้นก็มีบางขาาเป็นอภุ tha เป็นเปสิเป็นคณะเป็นปัญจสาขาแล้วบังเกิดอันตรายถึงแก่วินาศชีพหายสาบสูญสิ้นไปอย่างนี้ก็มีบางทีก็มีภัยในการเมื่อประสูตรจากขันมีภัยในปฐมวัยในมัชชิมวัยปัชิมวัยพ้นวิสัยที่จะนับพนรณาว่า ง, งั้นนี่คือการพิจารณาว่าทุกขังพยัพเทนะเนี่ยนะ ก็ไม่ได้มาพิจารณาถ้าเฉพาะจุดใดจุดหนึ่งแต่เป็นการมองชีวิตทั้งชีวิตว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยภัยเนี่ยนะภัยที่มีเนี่ยตั้งแต่ไหนบ้างตั้งแต่ตั้งแต่ปฏิสนธิมาเลยเนี่ยนะไปจนถึงตายเนี่ยภัยรอบด้านภัยทั้งหมดเลยนะถ้าถ้าเราค่อยๆ ค, คิดแบบท่านนะนะคือมองว่าชีวิตคืออาการ32ก่อนแล้วอาการ32มเนี่ยมันก่อตัวขึ้นยังไงเนี่ยนะแล้วมันมันอาศัยองค์ประชุมประกอบ ยังไงบ้างเจริญจะเรียกว่าก่อร่างสร้างเนื้อสร้างตัวมาได้ทุกวันเนี่ยนะแล้วก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าต่อไปจะได้ยังไงเนี่ยนะไม่แน่ชายที่แข็งแรงที่สุดอาจจะป่วยมากที่สุดใช่ไหมยอมเขาว่าได้คนสุขภาพแข็งแรงนะไปตรวจวันหลังมาก็ป่วยเลยนกัคนที่แข็งแรงอาจจะป่วยในวันหลังนั่นแหละบางคนยิ่งบอกว่าโอหเกิดมาแทบไม่ป่วยเลยนั่นแหละถ้าป่วยทีหนึ่งแล้วมันจะเป็นมากกว่าคนที่ป่วยบ่อยๆเพราะ ง, งั้นก็อย่าไปเชื่ออะไรมากมายนะ ั้นการพิจารณาในร่างกาเนี่ยถึงความไม่เที่ยงคือเปลี่ยนแต่ละวัยแต่ละวัยที่เปลี่ยนไปไม่มีหยุดหยอ่อนนะพิจารณาโดยความเป็นทุกข์ก็คือภัยเนี่ยรอบด้านตั้งแต่ปฏิสนธิจนถึ ง, จน ถ, งจนถึงตายเนี่ยนะมีภัยรอบด้านอานัตตาอาศาัรากัตเถนะเนี่ย น, นะคือการพิจารณาอ น, นิจจงเนี่ยนะเขาพิจารณาว่าสิ้นไปพิจารณาทุกขังคือโดยความเป็นเป็นภยัยพิจารณาโดยความเป็นอนัตตาก็คือ อสารกัตเถนะก็คือไม่มีสาระว่ารูปธรรมทั้งปวงนั้นได้เชื่อว่าอนัตตาด้วยเหตุหาแก่นสารไม่ได้เมื่อพิจารณาไปให้ละเอียดตั้งแต่เกสาโลมานขาทันตาตาโจมังสังตลอดจนถึงมัธหลงคังนั้นจะหาแก่นสารสักสิ่งเดียวไม่ได้ต้นไม้ที่ผุราใช้การอื่นไม่ได้แล้วก็ยังกระทําเป็นเชื้อติดไฟได้นไห ก็จริงนะนะแต่ไม้ผุจริงๆอะ่ะถ้ามาผสมกับยางนะ้ํามันสนนะ่นนะมันก็จะเป็นเชื้อเพลิงเอาไว้จุดฟืนเป็นอย่างดียังคลุกนะ้ํามันยางกระทําให้เป็นใต้เป็นครบได้ไม่เสียเหมือนโกฐาสะส่วนอาการ32ในกายคุณโกายคุณโกธาสะส่วนอาการ32ในกายนี้ไม่ได้เป็นคุณสักสิ่งใดสิ่งหนึ่งเล ย, ยนะนะ เมื่อปราศจากลมอสซ า, าปัสาสะแล้วก็มีแต่จะเน่าจะเหม็นเป็นที่เกลียดละอายแก่หมู่มหาชนคนทั้งปวงเนี่ยนะไม่มีใครรักใครไม่มีใครเอื้อเฟื้ออินังเมื่อถึงความเป็นอยู่ยังมีอสซ า, าปัสาสะนี่ผมเอ่อผมที่โกนลงจากศีรษะแล้วเล็บที่ตัดออกจากนิ้วมือและนิ้วเท้าแล้วนั้นก็หยิบทิ้งเสียไม่รักไม่ใคร่ไม่เก็บไว้ ยังโกฏิสาสนยะคือเลษและน้ำลายเงื่อและไข่น้ำมูกที่หลั่งไหลออกจากจมูกมูดและคูดนั้นแต่พอพ้นจากกายเจ้าตัวรู้เกลียดละอายเป็นหนักหนาติดต้องอยู่ที่ใดที่อันนั้นก็โสโครกเป็นที่รังเกียจเป็นที่ชังที่เบื่อนหน่ายแห่งบุคคลทั้งปวงตกว่าหาสาระแก่นสารไม่ได้เลยสักสิ่งเดียวนะถ้ามองตั้งแต่แรก วิสุทธิมัตท่านบอกว่ากายนี้ทีแรกมันก็ไม่ได้เกิดในกอบัวกออุบลกองแก้วมณีอะไรหรอกเหมือนกันเนี่ยไล่มาเรื่อยๆจนถึงในที่สุดก็หาสาระไม่ได้เลยเหตุนี้รูปธรรมทั้งปวงนั้นพระอริยเจ้าจึงติเตียนว่าเป็นอนัตตาพระโยคาวจรเจ้าผู้ปลงปัญญาพิจารณารูปธรรมเป็นทุกขังอนิจจังอนัตตาอย่างพณ น, นามาชนีได้เชื่อว่ากาหนดรู้ซึ่งรูปธรรมโดยติรณปริญญา ก็คือการเข้าไปใคร่ครวญอย่างถี่ท้วนรอบค้อมติเรตาวาอริยมักังปาปูนันโตตทะฉันทราคับปหาเนนะพระโยคาวจรเจ้ามีปัญญาบังเกิดกล้าพิจารณารู ป, ปรธรรมโดยพระไตรลักษ์เห็นประจักษ์แล้วและเบื่อหน่ายจากรูปเนี่ยนะก็คื อ, อการพิจารณาโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาที่บริบูรณ์ย่อมยัง นิพพทาให้บริบูรณ์ท่านก็เรียงเรื่องต่อว่าและเบื่อหน่ายจากรูปสิ้นรักสิ้นใคร่สิ้นอะไรในรู ป, ปรธรรมบรรลุถึงอริยมรรคเลยนะถ้าตัดชั้นทราคะาได้ก็บรรลุอริยมรรคได้สละเสียได้ซึ่งชั้นทราคะาด้วยพระอริยมรรคขยานปราศจากความกำหนัดในรู ป, ปรธรรม อันเป็นภายนอกและภายในรูปแห่งตนก็ไม่รักรูปแห่งผู้อื่นก็ไม่รักหักหานฉันธราคะตัดรอนฉันทราคะเสียให้ขาดในการใดก็ได้ชื่อว่าสําเร็จแห่งปะหานะปริญญาในการนั้นนะถ้าตัดฉันธราคะได้เมื่อไหร่ก็ถือว่าจบเมื่อ น, นั้นแหละอันนี้ปริญญาในที่1นะ ย, ยังมีปริญญาในที่สองอีกว่า สวิญญาณกาวิญญาณกังอสุภาพวเสนปัสสันโตยาตะปริญญายะปริชานาติในยะหนึ่งว่าพระโยคาวจรเจ้าพิจารณาซึ่งรูปธปรรมอันประกอบด้วยวิญญาณและหาวิญญาณไม่ได้นั้นให้เป็นอสุจิอสุพังเสมอกันดูซากอสุภาพกับร่างกายที่มีชีวิตนั้นเห็นเป็นอสุภาพเสมอกันไม่มีไม่ห่างไม่ไกลกันเลยยนะอันนี้ท่านอธิบายตามสูตรทั้งหมดเลย ซึ่งในเทระคาถาในสติปัฏฐานก็อธิบายแนวนี้หมดอยู่แล้วเนีย่ยนะนั้นคำพีที่รุ่นก่อนๆจริงๆจะไม่มีการคลาดเคลื่อนจากหลักธรรมอะไรเลยแม้แต่น้อยเนีย่ยนะจะสอดคล้องกันไปหมดพิจารณาเห็นเกษาโลมานขาทันตาในร่างกายที่มีชีวิตนั้นเป็นสร้างอสุภะแต่ละสิ่งแต่ละสิ่งเสมหะและเขละเหือและคลายมันเหลวและมันข้นน้าตาและน้ามูก มูและคูดนั้นเห็นเป็นอสุภะแต่ละอันแต่ละอันการเมื่อเสมหะและเคละน้ำตาและน้ำมูกมันเหลวและและมันข้นมูดและคูดลังไหลพังออกมาจากศีสระกายนั้นอ่ะเป็นประหนึ่งซากอสุภะคนเป็นกับคนตายนั้นอ่ะเห็นเป็นซากศพเสมอกันหาแปลกกันไม่พิจารณาได้อย่างนี้แหละได้ชื่อว่ายาตะปริญญาเนี่ยใครครวรอย่างนี้อย่างมากนะชื่อว่ายาตะปริญญา อนิจจาที่วเสนาปัสสันโตตีรณปริญญายะปริชานาติการเมื่อพระโยคาวจรเจ้าพิจารณาเห็นร่างกายแห่งตนเป็นราวกับร่างกายแห่งคนตายเป็นอนิจจังเป็นทุกขังเป็นอนัตตาเสมอกันนั้นได้ชื่อว่าตีรณปริญญาเนี่ยนะคือไม่มีสภาพต่างกันเลยทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าวิชาคําสอนในพระพุทศาสนาเนี่ยนะเพื่ออะไรนะเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะ เมื่อวานบอกว่าพระพุทธเจ้าของท่านมีวาทะว่ายังไงสอนว่ายังไงว่าอะไรนะคุณละฉันทราคะนะแสดงว่ายังจับวัตถุประสงค์ของคำสอนได้นะไม่ใช่เอ๊ะมันร่างกายมันเสียหายยังไงทำไมจะต้องไปพิจารณามันอย่าง น, า น, นั้นเะนี่ยนะทำไมไปจงเกลียดจงชังเหลือเกินในร่างกายอันนี้เพราะอะไรเพราะต้องการกาจัดฉันทราคะในในกายคือรู ป, ปขันเป็นต้นเหล่านี้ ทีนี้ถามว่าถ้ายังมีฉันทราคาในรูปประขัณแล้วเสียหายตรงไหนใช่ัหยคือหมายถึงว่ายังรักสวยรักงามยังมีความสุขความเพลิดเพลินกับสิ่งเหล่านี้เสียหายตรงไหนเสียหายไหมเสียหายเพราะอะไรโสกาปริเทวทุกโทมนัสอุปายาตเกิดแน่ถ้าสิ่งเหล่านี้แปรไปเห็ไพอ ถ้คนที่รักสวยรักงามเห็นเส้นเกษาเขาขึ้นมาทีละเส้นทีละเส้นเนี่ยยิ้มเลยใช่ไหมมีความสุขมากเออนี่เป็นอย่างนี้แหละสังขารมันเป็นเช่นนี้แหละคิดอย่างนี้ด้วยเปล่าคุณชูตอนนั้นมันคิดเลยนะทําไมมันรีบจังไม่รู้เหมือนนันก็พิจารณาอย่างนี้เนี่ยนะไข่ครวรอย่างมากอย่างละเอียดทีท่วนอย่างนี้ก็สามารถจับฉันทราคะทีนี้ถ้าตัดฉันทราคะแล้วมีอนิสงส์ยังไงเนี่ยนะถ้าถ้า ละฉันทราคะในร่างกายบอกว่าเมื่อกายเหล่านี้แปรไปก็ไม่ก่อให้เกิดโศกปริเทวะทุกโทมัตและอุปาญาตทีนี้ว่าโดยรวมๆที่น่าน่าเอามาคิดอย่างหนึ่งคือคำสอนที่สอนให้กำจัดฉันทราคะในขันมีในพระพุทธศาสนาที่เดียวคือเราต้องลืมไม่ลืมว่าที่ผ่านมาชีวิตในวัฏฏะอันยาวนาน ก็เป็นชีวิตที่เพลิดเพลินชื่นชมบำเรอ ข, ขันมาตลอดอ น, นะแล้วก็อนาคตต่อไปอีกถ้าไม่มีพระศาสนาต่อไปข้างหน้าอีกก็จะใช้ชีวิตตามเดิมอีกปกติเข้าไปอีกคือเข้าไปเพลิดเพลินชื่นชมหมกมุ่นอยู่ในขันไปไปทุกข์ไปร้อนกับรูปประคันอย่างนั่นแหละนะกับขันทั้งหลายทั้งหมดนั่นแหละแต่ว่าคาสอนที่จะ สอนให้ตัดฉันนราคะเนี่ยนะนันนาจะมีขึ้นมาสักคราวหนึ่งเนี่ยนะอันถ้าหากว่าเราทําไม่เสร็จนะทํากิจเหล่านี้ไม่เสร็จถ้ารูปประคันนี้แปรไปรูปประคันใหม่เกิดขึ้นแล้วมันจะเดือดร้อนเนี่ยนะเดือดร้อนยังไงก็เห็นเด็กนี่เราคิดยังไงถ้าบอกโหถ้ามาเดินตามรอยเราหมดเลยนะพอใจไหมคุณบุญชูถ้ามีหลานสักคนหนึ่งอะนะบอกมันจะเดินรอยตามปู่มันมาหมดเลยะยิ้มไหมการยิ้มไหมปู่นี้ยิ้ม <c oughs> สงสารล้านเลยนะครับผอนเป็นทหารสงสารมากเป็นสังขารร่างกายมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วนี่นี่ถือว่าอย่างดีแล้วนะนี่ถือว่าได้รูปปัะคันเป็นต้นอย่างดีแล้วนะคุณมุนชูได้ขนาดนี้มีไอ้หนักกว่านั้นอีกแล้วก็ ทำไปทำมาแทบไม่มีเวลาศึกษาธรรมะอะไรเลยนะไม่ใช่แทบหรอกมันไม่มีเลยจริงๆอ่ะนะหมกมุ่นอยู่กับการบำเรอขันอยู่นั่นแหละันถ้าไม่ศึกษาให้ให้เพียงพอที่จะกำจัดฉันทราคะาในกายนี้ได้ก็จะเป็นคนทุกข์ในเรื่องของร่างกายนี่เป็นอย่างมากถามว่าทำไมไม่ทุกข์อาก็เพราะอาศัยกายอันนี้แหละไปทำบาป คือถ้ามีฉันทราค้าในกายเพลิดเพลินในกายเนี่ยจะเอากายนี้โดยมากเอาไปทําบุญหรือไปทําบาปโดยมากก็เอาไปทําบาปอยู่แล้วบาปทั้งหลายเนี่ยลืมไหมไม่ลืมนเห็นไหมมันเวลามันจะให้ผลนะมันเลือกให้ผลได้ทุกแห่งเลยนะแตงเกสสอนบอกฟันแข็งแรงมากดังเส็จเลยอ่ะเห็นไหมก่อนที่จะเลยเป็นนั่นนะฮะก็คือฟังเทปที่ผมเมื่อกี้เนี่ยฮะยังยังมีคําถามว่า อ่าอันที่จริงเนี่ยนะการเจริญนี่ลักษณะนี้ก็มีสมถะอยู่ใช่ไหมการเจริญสมถะเห็นโทษนะครับของกามก็ดีนะรหรือว่าเห็นสุภาษะสุภาษะก็ดีเนี่ย ก, ก็ก็ได้ชื่อว่าเป็ น, เ ป, นเป็นการเจริญวิปั ส, สนาถูกไหมครับอทําไมจริงแต่ก่อนเราไม่เคยได้ยินสิ่งเหล่านี้มาเลยคําว่าวิปัสนาเนี่ยนะก็คือการเข้าไปเห็นแจ้งขันทั้งหลายโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็น อนัตตาไม่เที่ยงคือขยัตเถนะสิ้นไปเป็นทุกขเพราะพยัตเถนะน่ากลัวอนัตตาเนี่ยนะอาสารากัเทนะคือไม่มีสาระเมื่อเข้าพิจารณาไปพิจารณาขันโดยเฉพาะขันคือรูปประกายเนี่ยนะขันรูปรูปประขันรูปประขันคืออะไรก็คือกองแห่งผมทั้งหลายเมื่อเข้าไปพิจรารณาเห็นกองแห่งผมทั้งหลายโดยความเป็นของปฏิกลูลอ น, นอย่างที่กล่าวไปเนี่ยนะ การเข้าไปพิจารณาอย่างนี้จะเห็นอะไรเห็นความเป็นอสุภาสอสุภากับน่ากลัวนี่คือสิ่งเดียวกันหก็คือสิ่งเดียวกันก็คือเข้าไปเห็นโดยความเป็นเป็นภัยในในในขันทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งก็เป็นตรงตัวเป็นเรียกว่าเข้าจุดประสงค์ของของมิปัสสนาอยู่แล้วนทีนี้ไอการเข้าไปเห็นโดยความเป็นของนากลัวเนี่ยก็ต้องการอีกก็เพื่อความเบื่อหน่าย ที่เบือนาเนี่ยนะก็ถามว่าหยุดอยู่แค่เบื่อหนายใช่ไหมก็บอกให้เลยไปหาการกําจัดฉันทราคะหรืออริยมรรคอริยมรรคเนี่ยถือว่าทางคําสอนเราถือว่าเป็นความสุขอย่างสุดยอดเนี่ยนะเป็นความสุขอย่างแท้จริงแต่ทีนี้คนที่ทั่วทไปไม่ค่อยต่างอะไรจากคนเป็นโรคเรื้อนที่มีความสุขกับการเกาแผลคันเนี่ยนะทีนี้ไอ้หายโรคแล้วมันดียังไงเนี่ยนะนึกไม่ค่อยออก เพันต้องมีการเทียบเคียงอย่างมากจิตมันจึงจะน้อมไปในธรรมชาติที่สงบประงับจากจากสังขารพันการใคร่ครวญโดยความเป็นของไม่เที่ยงต้องเพียงพอจริงๆทีนี้ถามว่าไอ้ที่เราติดข้องจริงๆมันติดข้องอะไรนั่นแหก็เอาวัตถุเหล่านั้นนั่นแหละมาใคร่ครวญพระองค์ก็แสดงอยู่แล้วว่าตันหาถ้าจะเกิดเกิดที่ไหนก็ละที่นั่นนันล่ละโดยแต่ทางค่าปะหารเป็นต้นณวัตถุนั้นๆให้ได้ เข้าใจว่าในสมัยพุทธกาลนะฮะคำสอนที่เกี่ยวกับการเจริญนิพพานนี่นะฮะก็ไม่ได้แบ่งว่าอะไรเป็นสมถะอะไรเป็นนิพพานจนมาในระยะหลังท่านพุทธโฆษาจารย์จึงได้ระบุเรื่อง ส, สมถะเนี่ยเป็นเรื่องของหัวข้อที่จะเจริญไปสู่ชานจิตถูกไหมครับแต่สมัยก่อนนี้รู้สึกว่าท่านาท่านท่านจะไม่ได้กล่าวแบ่งเลยใช่ไหถ้าเราดูวิสุทธิมรดีๆเนี่ยนะเราจะไม่ไม่ไม่ไมจะไม่พูดคานี้ด้วยซ้าไป เพราะวิสุทธิมักสมาธินิเทศแสดงสมถะวิปัสนาควบคู่กันเนี่ยนะโดยมากแสดงคู่กันไปหมดเลยเช่นอนาปานาสติเนี่ยท่านก็แสดงคู่กันทั้งสมถะทั้งวิปัสนาอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องเนี้ยมากไปด้วยสมาธิแต่ว่าในนั้นไม่ใช่ไม่มีวิปัสนาไม่มีอะไรอยู่ในนั้นเลยเนี่ยนะมีอย่างวินัยปิฎกเนี่ยนะเรากลัวกันจริงจริอ่ะในวินัยปิฎกพูดทั้งสมถะพูดทั้งวิปัสนาอยู่ในนั้นทั้งหมดแหละ แต่ว่าไม่มากเท่ากับกับเรื่องพระวินัยพระวินัยเป็นส่วนมากพระสูตรเหมือนกันเนี่ยนะไม่ใช่ไม่พูดเรื่องศีลไม่ใช่ไม่พูดเรื่องอภิธรรมก็พูดแต่ว่าไม่มากเท่าจํานวนพระสูตรทั่วๆไปเนี่ยนะอภิธรรมไม่ใช่ว่าไม่แสดงเรื่องศีลไม่ใช่ไม่แสดงเรื่องสมถะแต่ว่ามากไปด้วยการพิจารณาขันเป็นต้นเนี่ยนะพังก็เรียกว่าตับพหุละนิยะเนี่ยนะหมายถึงว่าแสดงโดยมากในสิ่งนั้นๆอ่ะโดยมาก ไม่ใช่ว่ามาจัดแต่ทีนี้สำคัญมากนะการบาเพ็ญไตรสิกขามันก็เป็นกิจที่จะต้องต้องบาเพ็ญทั้งหมดอยู่แล้วเพราะอะเพราะว่าสมถาวิปั ส, สนาเนี่ยนะก็ยุคคณะธรรมใชม่เป็นธรรมที่ต้องเจริญควบคู่กันตายอยู่แล้วแต่ก็สมถะนะถ้าว่าโดยองค์ธรรมนี่คืออะไรนะองค์ธรรมของสมถนะเนีย ตั้งกับตังสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายามสัมมาสติสัมมาสมาธินี่หกองเนี่ยเป็นชื่อของสมถะหมดเลยส่วนวิปัสสนาคือสัมมาทิฏฐิกับสัมมาสังกปะเนี่ยนะมันพวกเนี้ยเจริญควบคู่กันหมดอยู่แล้วไม่ได้จะเจริญแต่เอกับขตาเจตสิกอันเดียวนี่ไม่ใช่ ถ้าจับจุดประสงค์ของคําสอนให้ชัดเจนเนี่ยนะว่าพระองค์สอนเพื่อรอบรู้อุปาทานขันห้าโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา อ, นนอันนี้ในแง่ทุกขสัตว์นะสมุทัยสัตว์ก็เพื่อละสมุทัยสัตว์ในอุปาทานขันห้าเหล่านั้นให้หมดเพื่อให้รู้แจ้งแทงตลอดธรรมะที่สงบประงับจากสังขารทั้งมวลโดยข้อปฏิบัติคือไตรสิกขา ถ้าเราจับในในส่วนนี้เอาเป็นหลักแล้วศึกษาพระไตรปิฎกก็จะไม่ไม่มองว่าเป็นภาระเนี่ยนะแต่มองว่าเป็นสิ่งที่ที่เรียนไม่เบื่อศึกษาไม่เบื่อเนี่ยนะเพราะว่าธรรมกถาที่เป็นไปเพื่อพ้นวั ต, ตะเนี่ยนะเรียนไม่เบื่อฟังไม่เบื่อจริงๆแต่ถ้าเบื่อเมื่อไหร่ก็แสดงว่า ถ้าพูดพู้ที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องสมถะนะฮะหรือว่ากล่าวไว้เล็กๆน้อยๆเนี่ยนในการสอนเจริญปัสนาเนี่ยเพราะฉะนั้นในขั้นสติสมัมปชัญญะก็ถ้าไม่รู้เรื่องสมถะเลยไม่รู้ว่าที่จะน้อมจิตให้เป็นกุศลได้เลยเนี่ยจะเป็นไปได้ไงอินทรีย์สังวรก็ยังไม่มีทางอย่เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วสุจริตสามก็เลิกพูดเลยเจริญไม่ได้มโนสุจริตเนี่เลิกพูดเลยสมมติว่าถ้าเจริญเน่ยนะเอ้าเจริญเป็น วิปัสสนาเอาเห็นผู้การในเจริญว่าอย่างไง mm. ไม่ใช่ผู้การใช่ไหมสีอย่างเดียว mm. หรือว่ า, อ, าอะไรอีมันก็หยุดอยู่แค่นั้นจริงๆถามว่าถ้าหยุดแค่นี้พอไหมที่จะพ้นทุกเพียงพอไหมที่จะเบื่อหน่ายคลายกำหนัดจากกิเลสหรือว่าพิจารณาเองนะเออเนี่ยเห็นนะไอ้ที่เห็นเนี่ยเป็นนามธรรมาชนิดหนึ่งเป็นจิตเห็นนะถ้าหยุดอยู่แค่นี้ก็ไม่พอแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พระองค์บอกว่าอาศัยจากสุกับรูปเกิด จากคูวิญญาณเนี่ยนะธรรมะสมอย่างประชมการเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมีตันหาเพราะตันหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปาทานเพราะอุปาทานเป็นปัจจัยจึงมีพเพราะพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยจึงมีชรามรณาโศกปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปาญาตความเกิดขึ้นแห่งกองทุกข์ทั้งมวลนะมีด้วยอาการอย่างนี้เนี่ยนะทินิศ อันนี้วัตะสงสารเนี่ยเป็นไปอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะการพิจารณาต้องให้เห็นกระแสะของวัตตะอย่างนี้ก่อนทีนี้เมื่อเห็นกระแสะของวัตตะอย่างนี้แล้วจะเห็นวิวัตะได้ยังไงจะเห็นว่าทุกขทั้งหลายเหล่านี้จะดับได้ยังไงก็อาศัยจากโสกกับรูปนั่นแหละ <c oughs> เกิดจากขูวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นภาษะเพราะภาษะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาเพราะเวทนาเป็นปัจจัยจึงมี <c oughs> ตัณหาถ้าวิราคะตัณหา วิราฆะนะเป็นชื่อของอริยมรรคที่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์มาเนะีถ้าวิราคะตัณหาเหล่านี้โดยสิ้นเชิงเนี่ยนะนะอุปาทานก็ดับถ้าอุปาทานดับภพบดับถ้าภพดับชาติก็ดับถ้าชาติดับชรามรณะโศกปริเทวะทุกขโทมานัตอุปาญาตก็ดับความดับแห่งกองทุกทั้งมวลมีด้วยอาการอย่างนี้ทีนี้ถ้าวิราคะตัณหาโดยไม่มีส่วนเหลือนี่นะที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยทำยังไงอริยมรรคจะเกิด อริยมรรคมีอะไรเป็นปัจจัยก็มีความเบื่อหน่ายเป็นปัจจัยเบื่อหน่ายทำไมจึงเบื่อหน่ายเพราะรู้เห็นตามความเป็นจริงเป็นปัจจัยทำไมจึงรู้เห็นตามความเป็นจริงเพราะบอกว่าเพราะมีจิตตั้งมัน่นทำไมจิตจึงตั้งมัน่นเพราะกุศลศีลเป็นอย่างดีทำไมจึงรักษาศีลเพราะว่าสุตะมาเป็นอย่างดีทำไมจึงเป็นได้สุตตะเพราะมีพระพุทธศาสนาว่างั้นเถอะ พระผู้ศาสนามีในโลกจึงมีสุตตะมีคําสอนของพระองค์เมื่อมีคําสอนอย่างนี้ก็มาสังวรด้วยกุศลศีลจิตก็ตั้งมั่นมันก็พิจารณาทวนกลับไปกลับมาแต่ถ้าไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยนะเจริญไปทําไมเจริญแล้วมันดียังไงเนี่ยนะก็ผู้ศาสนาเนี่ยนะเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจยอยู่เรื่องหนึ่งไปที่ไหนบอกว่าโยมเนี่ยทํานายยมรู้ใช่ไหมว่ามันจะได้เข้าปีนี้นะค้าขายรู้ใช่ไหมว่ามันจะมีกําไรหรือมันจะขาดทุน อ้าแล้วยมที่ยังมาทำบุญแล้วมันรู้ไหมว่ามันจะได้บุญหรือมันจะไม่ได้บุญถ้ามันได้บุญมันให้บุญเป็นยังไงเนี่ยนะบอกตอบคำเดียวว่าไม่รู้ทุกเรื่องเลยนะแต่ว่าเขาว่าดีอ่ะว่า ง, งั้นถ้าคนอื่นเขามาแนะนำอะไรที่มันคิดว่าดีกว่านั้นก็ไปอีกนั่นแหละถ้าไม่เข้าใจนะมันถ้าความรู้ความเข้าใจไม่เพียงพอเนี่ยยากจริงๆหน้าการุณาที่สุดเย น, นะ